สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในกฎแห่งความเชื่อซึ่งเป็นกฎที่12ในหนังสือ20กฎทองคํานะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะทบทวนตั้งแต่วันจันทร์นะครับเกี่ยวข้องกับกฎแห่งความเชื่อนั้นพี่น้องครับเราจะต้องสนใจและ ให้ความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าหลักการพื้นฐาน ท, ที่สุดเป็นหลักการพื้นฐานที่สุดของการประกาศข่าวประเสริฐการรับใช้พระเจ้าการประกอบพราชกิจขององค์พระบุญเจ้าก็คือต้องอาศัยความเชื่อมีความเชื่อที่ไหนพระเจ้าทรงทำพระราชกิจของพระองค์หรือทรงทำงานของพระองค์ที่นั่นที่ไหนไม่มีความเชื่อ พระองค์ทรงทาน้อยลงและหยุดทำงานพี่น้องครับการที่ความเชื่อนั้นเป็นหลักการสำคัญเพราะเนื่องจากว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะร่วมงานกับเราผ่านทางความเชื่อครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงวางกฎเกณฑ์ของพระองค์สองข้อคือ1ต้องมีความเชื่อ 2. ต้องอธิษฐานการอธิษฐานนั่นก็เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อครับ ถ้าเราไม่มีความเชื่อไม่มีความไว้วางใจเราจะอธิษฐานไปทำไมใช่ไหมครับแน่นอนครับเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาเราจึงอธิษฐานพี่น้องครับอย่าลืมครับที่ไหนมีความเชื่อพระองค์ทรงทำงานที่นั่นที่ไหนมีความเชื่อมากพระองค์ก็ทำงานมากครับที่ไหนมีความเชื่อน้อยพระองค์ก็ทำงานน้อยที่ไหนมีคําอธิษฐานมากพระเจ้าก็ทรงทางานมาก ที่ไหนมีคําอธิษฐานน้อยพระเจ้าก็ส่งทํางานน้อยทั้งสองนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้มนุษย์กับพระเจ้าได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนับเป็นเกียรติที่สูงยิ่งเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งเป็นสิทธิพิเศษที่เลิศลำ้ำในการที่เราเองนั้นจะได้เป็นผู้ร่วมงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมสองโครินธ์บทที่5ข้อที่7ครับ เพราะเราดาเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่มองเห็นพี่น้องครับนอกจากความเชื่อนั้นจะมาโดยแสดงออกถึงการกระทาก็คือการอธิษฐานเราได้เป็นผู้รมงานของพระเจ้าและที่สำคัญที่เราเห็นก็คือว่าความเชื่อนั้นเป็นพื้นฐานของคริสเตียนเป็นหลักการพื้นฐานของคริสเตียนเลยครับ เพราะเราดำเนินในโลกนี้โดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นโดยความเชื่อเราได้รับพระสัญญาของพระเจ้าครับโดยความเชื่อเราเข้าสู่เงื่อนไขพันธสัญญาของพระองค์เมื่อถึงเวลาของพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงกระทำให้สำเร็จและสิ่งนั้นจะกลายเป็นเรื่องจริงทันตาเห็นพี่น้องครับตรงนี้เองเราจะเห็นหลักการที่ว่าถ้ายังไม่เห็น ก็ขอให้มีความเชื่อครับแล้วในที่สุดเราจะได้เห็นพี่น้องครับถ้ายังไม่เห็นให้รอด้วยความเชื่อให้มีความเชื่อหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นฮีบรูบทที่11บเเป็นบทที่กล่าวถึงความเชื่อภายในบทนี้ได้ยกตัวอย่างผู้เชื่อหลายคนหลายหลายท่านที่ ได้รับพันธาของพระเจ้าเพราะเขามีความเชื่อบางท่านก็ตายไปในขณะที่เหตุการณ์ยังไม่เกิดแต่ว่าตายไปด้วยความเชื่อที่สมบูรณ์เต็มที่พี่น้องครับความเชื่อนั้นเป็นหลักการพื้นฐานของคริสเตียนและเป็นหลักการที่ทำให้คริสเตียนนั้นยังดำรงชีวิตในความเป็นคริสเตียนได้ในการรักษา ชีวิตให้บริสุทธิ์ในการทำสิ่งที่ดีในการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะทรงบัญชาให้ทำอะไรคนเหล่านี้ก็จะฟังอันนี้คือพี่น้องที่มีความรักในพระเจ้าและมีความเชื่อยิ่งใหญ่ในพระเจ้าพระกัมีฮีบรูบทที่12ข้อที่1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพังพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วพี่น้องครับ ความเชื่อนั้นทำให้เราได้รับความชอบธรรมความเชื่อทำให้เราได้รับความรอดความเชื่อทำให้เราได้บังเกิดใหม่และนี่คือสิ่งอัศจรรย์ครับเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะมั่งมียากจนจะร่ารวยยังไงขนาดไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในชนชั้นสูงหรือชนชั้นต่ำจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับทุกคนเท่าเทียมกันหมด เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องเข้าหาพระเจ้าเราจะได้รับความรอดมีชีวิตอิรันนั้นก็เกิดขึ้นจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าร่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อโรมาบที่1ข้อที่17ครับพระคัมภีร์ตอนนี้มีการอธิบายไว้หลายแบบแต่ที่สำคัญที่สุดครับก็คือ กำลังอธิบายถึงความเชื่อที่นำไปสู่ความรอดได้และเติบโตขึ้นจนนาไปสู่การดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อแสดงออกมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าความเชื่อนั้นเชื่อเฉยเฉยไม่ได้ครับต้องเชื่อศรัทธาเชื่อศรัทธาแล้วต้องบำนุงเลี้ยงขอพระเจ้าทรงเมตตาประทานความเชื่อที่ไว้วางใจ ความเชื่อไว้วังใจจะทําให้เกิดความสุขครับความเชั่วเฉยๆความเชื่อเฉยๆ เ, เ, เป็นความเชื่อของมารซาตานครับความเชื่อศรัทธาก็จะคือเฟสซึ่งเฟสนั้นทําให้เรารอดครับการที่เราติดตามพระเยซูการที่เราเชื่อฟังพระเยซูทําตามพระมหาวัญชาของพระองค์ในที่สุดความเชื่อ แบบเชื่อศรัทธาก็จะพัฒนาไปเป็นความเชื่อแบบไว้วางใจและในที่สุดพัฒนากลายเป็นความเชื่อแบบทำตา ม, มความเชื่อที่สำแดงออกด้วยการแบบพืชพิงารณาการได้รับความรอดก็มาจากความเชื่อเป็นอันดับแรกต่อมาก็ดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อไปที่ความไว้วางใจและในที่สุดก็จะไปที่ความเชื่อและทำตาม เชื่อและฟังคำเชื่อและทำตามพี่น้องครับเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อแต่ความเชื่อนี้เองจะพาเราไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะท่านอัครทูตเปาโลกล่าวว่าในเอเฟซัสบทที่ 1-19 ข้อความดังนี้นะครับและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นมีมากเพียงใด สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอํานาจของพระกําลังและลิธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์เพราะเราเชื่อพระเจ้าจึงทรงสําแดงฤทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พี่น้องครับโปรดฟังอีกขั้นนึงครับถ้าเราเชื่อพระเจ้าจะทรงสำแดงฤทธานุภาพที่ใหญ่ยิ่งของพระองค์พี่น้องครับลทธานุภาพของพระเจ้าการันตี นะครับเป็นหลักประกันครับให้กับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายของพระเจ้าเมตตาอวยพรครับเป็นคำอธิษฐานของผมที่อยากจะให้ผู้ที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นครับเพราะเหตุที่ว่าคนชอบทำนั้นร่มต้นก็ความเชื่อสุดท้ายก็ความเชื่อครับอาเมน